หลวงพ่อไปธุระตั้งแต่วันที่18วันนี้วันที่22ไปแต่วันที่18ไปงานครบรอบหลวงปู่ล่าเขมมาปตโตผู้เจ้าข้อที่เป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะ่ะครบรอบของเพลนประมาน17 ป, ปีปีนี้ พอปลอบสบเจปี พ, พอปีมเจ็ดเงินพนหลวงรับไปก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนชัทธ่าญาติโจ้มมากปีนี้มากทีเดียวพระสงฆ์ก็มากพระตั้งสามลอยกว่าตอนแรกนะแต่ว่าตอนเศร้านี่มาเพิ่มอีกวัดเท่าก็ได้ถวายจิตุปัจจัยในงานของหลวงปู่หลากร็ตั้ง ย่อมเถ่าแก่สมหมายทั้งคุณไพจิตทั้งลูกหลานทั้งพุนเขาก็ทำเป็นไฝชนีมากถวายพระมั่นแสนสองแสนสองมื่นกว่าท่องเฮาเนี่เอาปัจจัยเงินสดไปแต่ถวายใบปรวรณาคันพระเทระพุยญยให้ถวายบ่งละสองพันคันพระยี่สิบพรรษาลงมาเนี่ยองละพัน แมชี่กับธรร ม, มเน่นองรหารอยแต่ขนาด ม, นมันมัดไปแสนแปดกว่ากว่าในวัดเท่านะพวกขา้าวอนุมตนาจะตุกปัจจัยนั่นแหละที่ได้มากหลวงพ่อได้มากไอ่นถวายในงานคู่บายจานบ้างเพราะมันได้ขึ้นมากเลยเอาหลบล่วมไปมีงานจุดนันกับถวายเพราะถึงว่าหลวงปูล่ลาก็เป็นพ่อแม่คู่บายจานเห้าสิจีต่อยปลาละเลยบ่ได้น่นะหลวงพ่อก็ได เขาเป็นภาระในการจัดถวายจิตุปัจจัยพระสงฆ์ที่มาในงานพระอย่างที่หลวงพ่อดนว่าเนี่ยถวายใบปวารณาแหก็พระลุกชิดตุคหาเพิ่งก็มารับแล้วก็ถวายไปถวายไปรวมันแล้วก็ใช้งินประมาณสักสามแสนกว่ากวาถวายพระนะแต่จะว่ามากไม้มกบวถึงกับมากกับบถึงกบหน่อย เหมาะสมกับเศรษฐกิจแต่กระนังค่ายัลงคุณแม่ชี้แก้วบันนีคุณแม่ชีแก้วนี่วันที่ยี่สิบห้ามีนาวันที่ยี่สิบสี่วันวันเสาร์วันที่25้ามีนาคืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีอันนี้หลวงพ่อก็คงจะได้ไปถวายเจตุปัจจัยจัดงานของคุณแม่อีกครบรอบเป็นและกังานของหลวงตา วันที่สามสิบมกราอันนี้ก็เป็นงานใหญ่สาธารณะคงจะเป็นลูกชิดลูกหาคงจะมากไหมของหลวงตาหลวงพ่อก็เป็นส่วนนึงที่จะเขาไปเบิ้งว่ามีจุดใดที่ขาดตกบกพร่องบอขนาดว่าเต็มบริบูรณแล้วหลวงพ่อก็อาจจะว่าอะรอันนั้นเพราะว่าลูกชิดลูกหาหลวงตาเนี่ยมากไหมอุ่นหนาฟ้าแข็งบ่เหมือนคุณแม่ชี้แก้วหลวงปู่ละ อันนั้นหลวงพ่อต้องเป็นหลักอันนี้บอแมนอันนี้ตรงตาข้านึ่บอแมนคําว่าบอแมนคํานึ่งคือว่าลุกชิดลูกหากระเป๋นักมีต่างเยอะแยะที่เป็นลูกชิดลูกหาแต่ว่าถึงยังไดรก็ตามข้าวขอบ่อใดปล่อยปาลาแล้วได้บังอยู่ขึ้นกันอถึงจะว่างานออกมากระปล่อยให้สร้างเขาไปแบกกันสร้างแบกบ่อใดหมดก็จะเขาไปซอยขึ้นกัน ลักษณะจังสันกันว่าปุบ ป, ปับมาหมดเขาไปแบกเลยสร้างกระชิกควางหูควางตาเขาอีกวันนั้นนะหมดก็ต้องถอยออกไอ้สร้างเขาไปแบกลักษณะจังสันละ่ะต้อมาพูดถึงลงตาที่ใดลงพอก็มาพูดถึงหลงตาลงตาร่วงรับรับคันพ่อพูดขึ้นมาแล้วมันจังไหนขื้นในความรู้สึกของลงพอนี่ขึ้นลงตาอย่างพวท่านตายแต่วบาคงคนง่าย ในความรู้สึกของหลวงพอนะ่อคือกันก็ลงตาเพราท่านตายลักษณะอันเช่นในความรู้สึพกพอคิดลึกลงไปนะโอ้ลงตาละสังหารแล้วนี้จากพวกเฮ้าแล้วท่นมันรู้สึกว่ามัน่นมันว่าวเวลึกๆต่อน้าไปอันนี้คือความรู้สึกของหลวงพ่อนะอผู้อื่นที่เป็นอย่างใดกับปู่หูอพราะหน้าจิตตัง้งหน้น า, นาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อเคยเบอกนะแล้วก็เมื่องานหลวงปู่หลาเซจไปวันที่สิบแปดนะ แล้วก็เย็ยนวันทั้งหลยแสดงธรรมในมนต์เทศของพ่อกเถิเย็นวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้านมนชันเศร้าพระสงฆ์ธรมมั้งสามรอยก็รุกพอชันเศร้าแล้วก็มาพักไปเยี่ยมกูบาฉลาดก็เลยเอาปัใจยให้เพิ่นได้เพิ่นคาํา่างสีขุดสะบอหลอกคล่องอะรงมาพักปัดตรงปูจาม พรามือเจ้ามันก็ฉันยังหันมือนี่ฝนตกบันนี่ยตกย่างแรงอีกต่างหากเลยหลวงพ่อบุเคยเห็นฝนตกหนาแรงแห้งป น, นันมาไปแห้งคักแห้งแนวะะไปขาแม่ น, นาฝนหอยน้ำนองวอันนี้มันนาแรกแต่ขนาดนั้นเลยน้ำว่าในทงในาทานี่นังรถไปนี่น้ำไหลพ่อสงขุนนี่แหละมือตกจากนั้นครับพ่อฉันยังหันเรียบร้อยหลวงพ่อก็เลยลงไปทัง จังหวัดอุบลบาเลอำเภอศรีเมืองใหม่ที่บ้านของหลวงปู่หมันอยู่ไปทั้งอำเภอจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ไปทั้งพุ่นแล้วตะการพืชผลไปทั้งทิศ ต, ตะวันออกไปเลาะแม่น้มโขงพ น, นัมมาเนีก่ก็จะไปถึงบ้านเพิินโง้คบบายคบคำพุดนะจะนันก็ไปพักอยู่หันในคืนนั่งก็ได้ เขาทําบุญก็เลยไปหลวงพ่อกระดิเทศอีกกันนึงเป็นภาษาอีสานหลวงพ่อจีบอกเป็นภาษาอีสานเนอะวะก็ทั้งเมื่ออุบวนเท่าพระกระลายอยู่อองอนมกอมากพ่อสมควรอยู่ก็ฉันจัางขันแล้วมือเศร้าหลวงพอ่อเออหลงหลวงพ่อสีกลับก่อนเนอ ะ, ะ, ะก็เลยกลับมาเมื่อวานเนวายคณะสงฆ์กลุ่มใหญ่จะเข้าไปเมื่อวันเนี่ยไปในงานปูหมันค ร, บรอบครอง แต่หลวงพอ่อเนี่ยมิได้ไปเบ่งงานอยู่ใกล้ๆวัดนะั่นนะใกลๆ้ๆบ้านของหลวงปู่หมันหลวงพ่อเลยบปอยู่พอหลวงพ่อไปกรเนี่ยหลวงพ่อไปก่รหนะลวงพอ่ อ, พอ ก, กับกัปกรนะว่ามาถึงวัดมาเคลื่อ น, นเนี่นเป็นถุงนึงนนวะผมอ่าณถุงโกกวาเนี่ยตามไม่จริงเมื่เอเนี่ยล้วจิมานะ่านะยิมาหอดวัดเท่าแต่หลวงพอ่อคือว่าหลวงพ่อไปกรหลวงพ่อกับกับมาก่อนนะ เมื่อเนี่ก็เป็นมื่อสําคัญมื่อหนึ่งของปี่น้องเช่าจีนของพวกเฮ้าเรียกว่าเป็นวันตุตจีนไหวกันมากแต่เมื่อว่านไหวบรรพบุรุษเมื่อเนี่ก็ไหวอกีกอันเนี่เป็นวันลําลึกถึงผู้มีอุปการะคุณสําหรับตระกูลของเราอันเนี้เพิ่งก็บเหตุือคือกัน บ, บ่อยปลอยปะละเลยเพราะเหตุใดอันดับแรกคือเนี่ย ร่างกายสังขารของเห่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงฟาเถ่าเาห่าได้มาจากไผ่ได้มาจากบรนพรบรุษได้มาจากพอแม่แล้วก็บางคนก็ได้สืบทอดมรดกจากพอแม่ทั้งนอกทั้งในนี่ยคือร่างกายละ่ะข้างนอกก็คือเงืนข้ามทรัพย์สมบัติที่ดินเหลือกสวนย์ไหลหน้าอันนั้นเท่าก็ได้มาจากบรนพรบรุษที่สืบทอดกันมา พราะนั้นมาถึงยุค ข, ของเฮ้าเนี่ยเฮ้าจีคย่องค้องแข็งขึ้นมาเน่ยข่าเนี่ยไปพึ่งไผ่นะเออเตะกระไรโตตาใระไรโตอพอแม่ปุญญาแต่ย่ยตายไ ป, ไปหมดแล้วสีว่าจังสันบ่คันว่าจังสันเขาจัดว่าบุคคลเช่นนั้นว่าบุคคลเน่ละคุค้นค้นข้าแมนยู่ไก่เฮ้าก็บุควลจะคบข้าแมนเป็นพีเป็นนองเฮ้าเป็นลูกเป็นหลานเฮ้าก็บุคคลจะเข้าไปไก่เหยียไล่หนีให้ห่าง ขึ้เขาสีหางสีมีดปันไดก็ตามย่าเขาไปใกล้อนาลือนนลคือสัดนาลกมากเกิดเพราะเหตุใดพอบรุจักพอคุ้นของบรณพอบรุษบรจักพอคุ้นของพอแมปูญาตายายเพิ่นไข่มาก ข, ขนาดใจแล้วย่งระลึกบอ่อใดแสดงบางโง่ชุดๆเน่เราพูดชุดๆเพราะนั้นขอให้พวกเฮาทั้งหลายมือจังสี่ะมือวันตุจจีนจังสีนะพี่น้องชาวจีนเขา ถือกันทางประเทศมาอยู่ในเมืองไทยคือทุกขอบขัวเขาจะต้องไหวเอาหมากใหม่มาหวายเอาอาหารชุดแต่แตกไพรส์คือได้จังไดแต่ว่าส่วนหนึ่งในค้นโบราณนเขาก็บอกว่าวันทุกจีนนี่คือค้นจี น, เ, นเป็นคนที่กระมัดกระแม่คลายว่าปกการเลี้ยงฉีอยางระมัดระวัง บอดีกินอย่างฝุ่มเฟือยกินอย่างหอบขอบเอแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยแต่ว่าพ่อม่อตุ๊ดจีนเนี่ยเปิดเอปู่ยาตาย่ายที่ว่าเป็นผู้ถือเงินอขุนข้างข้างเปิดไปไอคือพ่อแม่นี่ผู้ถือเงินเออเอาเรียงลูกเลียงล้านมืาหนึ่อกิ่นคูมมคมน่มือกูเว้นอลไรก็บวายเจ้งมือหนึ่งเป็นมือไว้เจ้าพ่อม เลี่ยงพวกเข้าพร้อมพรอมกันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมถูกพร้อมรานเอาข้ามาก่ะบาร์ดีพอแม่นี่ยกัดจัดอาหารไปกับไหยวายบัรพบุรุษก่อนเนี่ยพ่อวายบันพบรุษเสร็จเรียบร้อยอาหารจํานวนนั่นแ่ะที่ว่าผีพวกกินน้อยไปเฮมันจะผีมันจะกินได้จากไหนมันบอกเลจมพุ่งพุ่งพ่ามพุ่งพุ่งพมเยกัยกออกมาเลยก็มาแบ่งกันกินเงินตอนลูกหลานบ้านเนี่ย สนุกสนานหมดลงไปเอกินของบรรพบุรุษเนะี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือคนโบราณเขาก็มีแนวความคิดมีแนวความคิดเป็นในท่งที่สังส่งสรรค์คือกันหลวงพอว่าบ่มันจิปิดเลยจนบ่มีให้ผู้ใดอยู่ผู้ใดกินเสีเลยกระจังมันกับจังไสแต่มือนึงเนี่ยมือจังสีแห่ะก็เปิดเผยเปิดให้พี่น้องลูกหลานได้อยู่ได้กินร่วมกัน เ, เพราะนั้นก็ให้ พวกเฮาเนะ่ยอยู่ในสถานณะไหนพอแม่พีนองปูญาตายาย่ยบั่นพบรุษของพวกเฮาให้ล้ำลึกถึงในว่าบุพภาการีในรักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะาาี่บุพภการีบุคคลผูมิอุปก ร, ก, รก็คือพอแม่ของเฮานะเนี่ยเฮาควรจะแสดงความกระตันยูจังไรกระตันยูกระตวเตวทิตานะเนี่ยเฮาจะทดแทนประคุณของคนใดจังไร อันนี้เป็นนาทีของพวกเฮ้าที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังบอมเอนจิเพิ่นไห้เพิ่นเรียกรองบอมเอนเด๊บอมเอมนจิไห่เพิ่นเรียกรองสูโบจักบุญคุนของกูนี่ยอย่กูเลี้ยงสูงมาจนพ่อแห้งถึงขนาดนั่นหละแปลว่าลูกเต่าเล่าล้านในตะกูนั่นแปลว่าเอจะว่าจากไหนจะวายซัวย่างชุดชดกระไดวะจนพ่อแม่หับบอดได เพราะเหตุใดเพราะพอแม่จนเด็ดลําเลิกเออลําเลิกสูดระลึกบ่อไรบ่กูเลี่ยงสูมากเอากูได้เลี่ยงสูมากตั้งแต่ฟ้าตีนห้อยทอฟ้าหอยพอน่ะสูจําบ่อไรบ่สูระลึกบ่อไรบ่สูขึ้นบ่อไรบ่เป็นอยังสูบกึศึงผู้อื่นเอเต็กหน่อยเกิดมาหน่ะสูเป็นอย่างบ่เบิ้งกูเลี่ยงมึงยากขนาดนั่นละตัว โดยมากเอพอแม่จะบอกคอยเวอลเลยคั้นวอลมันก็เทือนขั้นวอลอีลีอีหลอ่อคนไปขั้นอีลีอีหลอเพิ่นกับวาลวอลแบบนี้แหละให้แกพวกเข้าแต่บางคนก็โกดเครียให้เพิ่นคนไประลึกบัไดอีลี่นไปเพราะมันโง่คนไปขั้นบางคนอื้งแมียนเว่ยเอพิ่นเลี้ยงห่อมาเนะีก็ยากจิงจีละ่ะคือกันก็เาเลี้ยงเด็กหน่อยเลี้ยงหนูเลี้ยงหลานของเงานะ เพิ่นเลี้ยงเข้ากัคืดกันโอ้ตายสายเกินไปเสแล้วเพิ่นเข้าลำดึกถึงเพิ่นบางเพิ่นกับพ่อแม่ก็ตายไปแล้วบางที่ก็พ่อแม่แ่าแกเชล่าเข้าก็ขาดการดูแลธนุบารุง่งเพิ่อนอีหลีอันนี้ภูจังซี่ก็ยังระลึกได้เพราะว่าปลายเมื่อไรระลึกได้ยังดีอยู่ด้จยยงเที่ยวถัดรละลึกถึงประคุณของพระพุทธเจ้าออืบวชกับพระพุทธเจ้าแต่แถวรู้ไหม สิมีแต่เสบียดเบียนพระพุทธเจ้าสิขาพระพุทธเจ้าโอนายขมั่งทะโนปไปจ้างขาพระพุทธเจ้าปล่อยสั่งนาราเกลี่ยงไปให้ขาพระพุทธเจ้าขึ้นไปบนเขาเก่งก้อนหินให้ทับพระพุทธเจ้าคือเท ว, วทัตเออ่ขั้นผู้านี้ทั้งคุณทั้งสันแปลว่าตะกูลเทวทัตเนี่ยววให้คึ้นวาจังสันนะพวกเง้านะตะกูลเท ว, วทัตต้องบรรลึกถึงบุญคุณของไพรบ่ใด พวกดุกน่องเทวทัตมากเกิดมันไปบาหาเน่เทวทัศน์ป่าเน่ชุดทายได้คงสุดทาาด้ายมันไปป่วยแล้วพอเพลินเอาแยกพระสงฆ์นะสังฆเพศยังสงฆ์แต่กันพระสงฆ์เปิดพระสงฆ์โคโลกโศขาวมาบวชพระไม้เพลินก็เป็นโนมนาวตัวไปพวกท่านทั้งหลายเล่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยไผมีความคิดดีกว่ากัน เห็นบ่อแล้วพระพุทธเจ้าคนบอกอยาขาสัตว์ปักกินเนื้อสัตว์อยู่เฮ้า่ในบ่อแล้วบกินเข้าใจไ้มไผ่แนก่ก็กันอันนี้พระเทวทัตุยกประเด็นขึ้นมาพระพุทธเจ้าถามว่าให้กินเนื้อสัตว์แต่ตัวเองกินกินเนื้อสัตว์เฮ้า่ในบกินออันนี้พระโพธิโยปาก็ให้โยปายาเขาบ้านอออันนี้บอกให้โยปา พัดคลอดพูนะ่ะไปโยนในบ้านบินธบาตในบ้านเพื่อเทวธาตุอ่างวัตถุหาประการที่ทําให้สงแตกแก่กันเพื่อข้างอ่างในจําที่ลงพอยกตัวอย่างจังทีละพระพุทธเจ้าพนบอกว่าเล่าเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเล่าควรทําตัวให้เขาเลียงง่ายขั้นเขากินยังก็กินกันบอมีผิดมีผิดแต่วัตถุซิปประการข่วรจะ ขวนจะหามบกข้นกินเนื้อสร้างสร้างเป็นของพระราชาขันพวเข้ากินพา ว, ว่าพระสงฆ์กินสร้างเนื้อสร้างเขาเดี๋ยวพระราชาเขาก็ว่าพระสงฆ์บกุญจะคว่ำพอยหนึ่งอยากกินเนื้อเนื้อมากขึ้นกันมากกัเป็นพาหนะของพระราชาที่เอาไปลบพวกพระสงฆ์ไปกินเป็นเกิดว่าพระสงฆ์บกุญจะควม่มไปกินเนื้อมาเพิ่นพระพุทธเจ้าเพิ่นหามเลย เนื้อหมาก็จะไปกินมันเป็นตำหรืออีกอย่างหนึง่งมันถือว่าเป็นเรื่องมันอยู่กับคนเนื้อหมาเนื้อเสือไปอยู่ในปา่าในหลงมันถือมันถือกินมันจะมากัดเท่าเนื้องูขึ้นกันเนื้อมีขึ้นกันเนื้อมนุษย์คือจัดข้นประเภทเดียวกันกินกันมันกระบอกม แ, มแนว่ อ, อมันไลยมันไายกาดเกินไปอยากกินเนื้อมนุษยนะ์หน้าเพราะพระพเจ้าห้ามวัตถุสิบอย่าง บอกอนกินก็ไม่เหตุผลของเพิินแต่ว่าขั้นนอกจากนั้นล่ะขั้นบได้เห็นบนอดิยิ้นแหมก็กินได้บอดิเห็นบอดิยินคืออย่างไรเขาเฮ็ดกินตามภาษีภาษาของชาวบ้านเขากินของเขาเขามาถวายพระก็กินได้ขั้นเขาบอกว่าโอ้ยเขาน่อยสิกขาหมูขาไก่เออชีเฮ็ดลาบมาถวายเออหลวงพ่อเด้อคู่บาเด้อ ยากินคนว่าได้ได้ยินได้เห็นได้ยินอได้ยินข่าว่าอาจารย์ยากินท่านกินน่ยปับบ๊บอวัตถุกฏออกมาแปลว่าส่งเสริมเขาส่งเสริมให้เขาขาคขนากว่ า, าได้เห็นตามปกติเนี่ยเขาจะบ่เห็ดยังบ่อเห่าเขาไปในบ้านเขาไล่จับหมูจับไก่มากะมืออื่นพระจีมาจังหันบ้านเห่าล่ะเห่ากับขาใกล้ขาหมูเรียงพระ อันนี้ยากินยาฉันขั้นฉันเขาไปแค่ๆว่าส่งเสริมเขาให้เขาขาสัตดมากให้เจ้าของกินนี่แหละด้วยได้เห็นด้วยได้ยินยาฉันเนื้อประเภทนั้นขั้นว่าเขากินตามประศีภาษาของชาวบ้านของเขาฉันได้กินได้เพราะชีวิตของเล่าเนื่องด้วยผู้อื่นเฮาข่วรทําทตัวให้เขาเลี่ยงง่ายพระพุทธเจ้าพุทธมาจังจัน แต่เที่ยวทัานเนี่ยพันเอาไปสุดตรง้างหนึ่งบาดีพ่อต่อมาเนี่ยแยกสงให้แตกออกจากกันน่พอแยกออกไปเลยกุ่มประยูกลุงราชคฤหขยาศีสะพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์มูนีนี่มีอุปนิสัยยุแต่บวชไม่ความรูเท่าไม่ถึงการม่เพิ่นกระเหตุพระโมกคล่ากับภะษาลิบุตรไปบอกเขาไปไปแนะนํำพระสงฆ์ไหมเนะ สงใหม่นะ่มันเขาน่าบรรดบท่านเขาใจเรื่องรักธรรมวินัยมีผู้เป่าหูไปกับไปตามเขาเนี่แหละผู้บวชใหมนะ่จะไปหาแข็งขอ้อต้องศึกษาสรุปแล้วเขามาใหม่ให้ศึกษาบมเมนพระเก่าเป่าจย่างนี้นแกไปจังสันมันก็บอกเมนนะี่ยมันต้องศึกษามีอย่างถามถามไทยคู่อันนี้บวชมากในศาสนาของพระพุทธเจ้าปฏิปเสื้อเที่ยวถัดนะี่ มันกรสมควรเดี๋ยวลงนรกโดยลงพอวานะอันนี้พระสงฆ์มันก็นับว่าดีพ่อพ้นไปแล้วบาทหลวพระโมกขล่ า, าพะพขปสาริบุตรก็เลยไปเทศพ่อไปทอดพระเทวทัตกับมักใหญ่ไฟสูงอยู่แล้วนะเห็นพระอั克拉สาวกทั้งสองไปเพ้นก็เห็นโอ้ท่านโมกขล่าสาริบุตรเขามาดีแล้วนะเพ้นก็ะทำทาเป็นพระพุทธเจ้าได้บาปัตตอพระเทวทัต พอวพอเปกระบวดก่อนประมวกขล่าสาเรบูธมั่งถัดมวกขล่าสาเรบูธมาดีแล้วเออเอามาขาฟักไฟเล้านี่นความพูดของเหล้า เ, เป็นศีลเป็นธรรมดีนะลักษณะจังจันละ่ะป่านนี้พระโมวกขล่าพระสาเิบูธเป็นพระรหันดเนพันกระอองหน่อมทอมตนได้ป่านนี้พระเทวทัตนี่ยเป็นเสืออเส้อพระวงอีตังหะเสื้อพระวงของพระพุทธเจ้าอีตังหะ เป็นลูกของพระเจ้าสุปาพุทธะกุงวิเทหะจากเนื้องกันเอา้าท่านโมคคราาลลาจาริบุตรสอนลูกศิษย์ไห้นะเดี๋ยวผมจะไปพักพรคือพระพุทธเจ้าในขั้นพระสาวกที่ไหวเนื้อเชื่อใจได้ยังพระอานอนท์พระกัจจนนายณะพระโมคคราาลลาจาริบุตรพระเทระภูไงตีจะแสดง่ํำแทนเพิ่นใดพระพุทธองค์อออ ท่านแสดงถ้ำไปนะเดี๋ยวเราจะพักพรอนปนกนมีไปเป็นบางครั่งแต่นี่เทวทัตเห็นพระโมกขล่าสารีบุตรมาเอาหมดทันโมกขล่าสารีบุตรอเทรนะ่ะเดี๋ยวผมจะพักพรอนเป็นจิตเลี่ยนไม่เดี๋ยวกับพระพุทธเจ้านะ่ะเทวทัตเพราะเทวทัตนอนรับนอนรับกุ้ยเลยเนียพระพุทธเจ้ารับนี่ยเป็นรับตาเป็นซีวนะไปเออเป็นพักพรเออเป็นกับฟัง่งเถรฟั่งการ เทวทัตนี่บบพะโมกขลาาา่าเขาภาษาลิบุตพะโมกขลา่าเปินมีดลิดอยู่แล้วเพิ่นกับบันดาลให้เทวทัตนัอนรับรับจนให้ยิงก็ยาสลบคนแล้วนอะไปพป่อปานใส่ยาสลบยิ่งก็ยาสลบอีกคนอนึ่งไปพะโมกขลา่าเพินใส่ลิดอิทธิลิตพระเทวทัตเนี่ก็นอนรับคักคนนะรับแก่รับจน ปาในนอนรับแจยบรับจมมานี่พระโมกขล่ากับพภาษาริบุษมันก็เทศแล้วบัดเนี่ยเออเทศอบรมพาไม้หาลอยองพระไม้เข่าใจเหมือนโอ้ตายเฮาหลงผิดแล้วใช่ไหมเออเฮาหลงพระพุทธเจ้านี่เดินผิดทางว่าเท ว, วทัตที่เดินถูกบ้านแล้วมันบอแมนอาจารยเอ่อบอแมนเดินตามเท ว, วทัตอยังบอถือแล้วบาดเนี้ยพระสงฆ์มันก็นเลยฟั่งเทศพระอ克拉สาวกทั้งสอง เป็นทีเข่าใจเออกลับกรับกรับท่านกลับไปกรับพระพุทธเจ้าท่นออกกรับพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรก็เล่นแสดงอิทธิฤทธิ่่นั่มพระทั้งหารอยเนี่ยกลับ อ, อวัดป่าเชิดตะวันมหาฟีหารประเทศวทศัฏเนี่ยตื่นง่วงง้างขึ้นมากคือตื่นจากยายาสลบ อ, อตื่นจากจากยาฉลบง่วงง้างขึ้นมาก ลูกน่องหนีมัดบาดเพราลูกน่องหนีวัดบานเ่งโกกาลิกาพิกขุมนมาหรือเป็นลูกชิดไก่ชิดพันเนี่ยโมโหขึ้นให้อาจารย์มันไปเป็นยังจะไปหาไว้เนื้อเสื่อใจเขากระโดดเดี่ยวแต่กูจักที่แล้วมันเป็นอันนของบ้านจะไปป้อยให้เขาอบริรมลูกน่องเจ้าของไดจงดังไดอท่านเทวทัศน์เนี่ะแย้มากเลยพอว่าแต่นี่ย ใส่สอกใส่เขา้าเพรได้ลูกชิดกระบวเป็นธรรมดาได้ไมาหน่อยไปใส่มัดใส่ม้วยใส่สอกใส่เขา้าเลยใส่อาจารย์อาจารย์แห้งทุกใจยได้ช้ำเลยบาดเนี่ยอ๋ไปมากก็อักเลือดอผลที่สุดก็เลยอทุกใจแล้วบานเนี่ยพ่อทุกใจขึ้นมาและ ล, ะลึกถึงพระพุทธเจ้าไดี่ยล้ ล, ลึกถึงพระคุณเ น, น, นีบาดเนี่โอ้จัน เฮาลำดึกถึงความผิดของเฮาแล้วสันที่เฮาเหตุมาผิดวันสันเลยเขาขอให้เฮาหามเฮาไปกราบพระพุทธเจ้าโดยเทินวันสันเลยพวกลูกน้องบอกว่าเอ้ยของลูกน้องหัวจัดมดกูแนวเด้เมื่อยังแข็งแรงอยู่เน่ะที่จะขาพระพุทธเจ้าไว้เจ้าไว้สักเทือบาดห้าถึงข้าวนี่สิกอซอยสี่ไปกราบพระพุทธเจ้าจังใดลูกน้องเขาขู่บอกไปบอกไปบอไปขายหนา เทวทัตบอกว่าโย่าไปหาบาจังสันใจของพระพุทธเจ้านี่คือแผ่นดินพูะพุทิที่ทวีน้ำร่ายที่สีขุดก็ตามสียง ก, กย่องสิกราบสีวายแผ่นดินก็ตามแผ่นดินจะบอมีการสะท่านวันไหวแผ่นดินก็คือแผ่นดินกว่างใหญ่ไพศาลบ่ให้โทษให้กุนแก่ผู้ใดจิตใจของพระพุทธเจ้าก็คือจังแผ่นดินนี่แหละเป็นบ่ได้ถือโทษโกดเครื่องหอกเล่ากับพระราหุนจังไหน พราหุ่คือลูกพระพุทธเจ้าเลยเล่าเป็นเทวทัตพระพุทธเจ้าก็บ่ได้ถือว่าเล่าเป็นอริยสัตว์คือกันกับพระล่าหุน่นอันหนี่ก็คือพระท้ยใจของพระพุทธเจ้าเป็นจังสันคุยจักได้วาเนี่ย อ, อตะกรอนบูงจัดคนละแบบตะกรอนมิถึง ย, ง, งยังมิถึงยังว่ามิศิกขาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแท่นแต่มากข้าวนี่ยนะล้ำลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระพุทธเจ้านสม่าเสมอมีเมตตาต่อทรัพย์สัสตว์จิตพระพุทธเจ้าตัดว่าเนี่ยถึงโจรผู้ร้ายจะเอาเลื่อยมาเลื่อยขาเราเออก็อให้เล่านึกว่าโจกรก็เผาเนี่ยคือกันเอหักว่าแพ้กันอืในใจพระพุทธเจ้าปันวาแค่ไหคือสรุปแล้วก็คือใจของพระพุทธเจ้าเนี่ย กับอริจตุทั้งหลายเนี่ยคืออันหนึ่งอันเดียวกันบ่ได้คิดว่าเป็นอย่างอื่นแต่ว่าพิษต้บอกว่าพิอการพูนว่าพิดษพจนก็บอกว่าพิษพจน์ก็บริบว่าเพจนถึกออันนี้ทิฏฐิไพก็ตามถ้าว่ามันผิษพจน์ก็บ้านพิษมันพิษลักถ้ำมมันพิษลักเหตุผลเนี่ยเที่ยวธาตุมันเหตุเหตุอย่างเหตุพิษลักเหตุผลจะว่าเพราะว่าถึกได้จังไรนี่พรอพูดยาวว่ามันพิดษ แต่เทวทัตว์ว่าดันทุนลังว่ามันเถกเนี่ยแหละมันก็เขากันบ่ได้เหม็น บ, บ่อนบาดเลยพระพุทธเจ้าอะเมื่อเขาแยกเนก็แยกไปมหาพลที่ชุดขอร้องให้พระสง์ไปกะพระพุทธเจ้พาพระสงอดปล้นทุ่นบ่ได้พ้นพูดเศาพูดแรงพูดจนนอนบ่รับพนะเอาไปมาก็ะใส่แต่จะเลียงหามมันต้นนี่ใส่แต่แค่หามคือกันกันกบตะแค่ เ, นเนาหา่าเนี่ยแหละเนี่ยหามพ้นขาเนี่ยขาเนี่ย สงศี อ, องค์หามคนละขากันแบกมากโ้หโคงหินไก่เติบูโอแบกมาจะ ก, กลุ้งราจะคืบพุ่นหามม า, จากจักรมืนจักรมือจะขึ้นบุญจักตามตลาดเพิ่งกับบอลบอาวไว้พอมาหอดนาวัดป่าเชิดวัดมหาวิหารมันมีสะหนามอยู่หน่วยหนึ่งได้ยวน่เดี๋ยวนี้เขาก็ว่ายังมียขาเป็นรูบๆอยู่เนี่ยมองเทีวว่วทัตแผ่นดินสูบอะไรก็มีสะหนามยอน พระสงฆ์กับห้อนเนี่ยหามค้นทั้งม้นเป็ะเมื่อหามมากกับเมย์ห่อนก็เลยเอ้าเอาลงในก้อนวะลงในขีมสาก่อนไปพวกเห่าลงอาบน้ำชําระกายซะก่อนยังสิข่เอาไปกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สีองค์ปานนี้ก็เลยมากเปืองผายจีวรเว น, นี่เอาเทวดาทั้งแค่เนี่ยกว่างไว้ในริมสาเนี่ยพวกนี้ก็เลยลงไ ป, าปาอาบน้ำสงน้ำชําระกายออ แต่พระพุทธเจ้าอยู่ในวัดป่าเฉดตะวันวานคนเขามารายงานเป็นระยะระยะคือกันครับในโทรศัพท์วัด น, นี่น่าผู้ว่ามาถึงบันผือแลนะ้วนะผูว่ามาถึงเขาคาละนะันนาผูวามาถึงสามเรียมแล้วนะนี่งที่แหละไล่งานมาเรื่อยๆกันเนี่ยคนทั้งหลายก็ไายงานมากบอกว่าเทวทัตหามาหฮวทันแล้วมากราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทวทัตแต่งแต่ ทำสังฆเพศยุยงสงให้แตกกันแล้วเทวทัตไปว่ากับเข้าเนี่แตกแยกแผ่นดินกันอยู่คนละฝ่ายสีโปเห็นหนาเข้าตถาคตโปเห็นหนาเข้าตถาคตพอมันอยู่คนละฝ่ายกันแล้วคือกันก็อยู่คนละฝั่งกันแล้วเขาก็หามมาอีกใกล้เข้ามาถึงจะมากใกล้ปนไดก็ตามเทวทัตจิบปเห็นหนาเข้า เ, าเออเพราะเทวทัตมันอยู่คนละฝ่ายกัน เออพระพธิ์ได้เจ้าพันบอกของฉันเนี่ยพอมาหอดหน่าวัดป่าเชดตะวันพระสงฆ์กัเขาไปกาบเปลี่ยนพันเอกกับ พ, พูดวิพุทองค์บอกเขามากกินก็บโบเห็นเออพอพอสงฆ์ชุ่มนันลงล่างชำระล่างกายพ่อประมาทหนึ่งขึ้นมาเที่โวถัดกันะลูกไปนั่ง่ะก็เล่นลูกขึ้นมานั่งไงพอนั่งขึ้นมาก็ยอนขาลงไปในคางตะแคร่ยอนขาลงไปในขคางตะแคร ข้อเข้าไปแผ่นดินหยาเหลือแต่บาดเนีเออแผ่นดินดูดวนลงไปแผ่นดินดูดดูดลงไปหอดคอเท่าดูดลงไปหอดหัวเขาดูดลงไปหอดเอวดูดลงไปหอดบาเลยเนอ่ยั่ยงเหลือแต่ข้อบาดเอกนี่ยเหลือแต่ข้อกบดโอ้ข่าวพเจ้าเห็นโทษเห็นพิษอของข่าวพเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าขอโปรดต้โหสิ โปรดเมตตาข้าพเจ้าโปรดหสิให้แก้ข้าพเจ้า้วยเทินข้าพเจ้าจะขอเอาขากันไกคือข้างข้าละวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ขากันไก่พวกเข้าขิน้เอาเป็นยังเอาขากันไก่ขั้นหลวงพ่องับปากหลวงพ่อมีเสียงวนเนมละเนี่ยงั้วขากันไกรว่างะงัางับปากงับปางับ็นมละเอีคือบูชาบูชาพระพุทธเจ้าเนีคือขอโทษเอ ขาพระ อ, องค์ขอโทษพระพุทธเจ้าด้วยเทินแต่ท้ำพิษไปแล้วขอพระ อ, องค์จงอโหูศีให้แก่ข้าพรเจ้าด้วยเทินแต่พระพุทธเจ้าก็ยุวตปาเชตวันพุน่นแหละเิ็นขจีม่องด้วยญ า, าณทัศนะของเพิ่นขึ้นกันป่าเนีพ่อว่าจบชนันนี่ยแผ่นดินก็ได้สูบเทวทัตหายมิดลงไปสู่อเวจีมหานรกอ่ะบ่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าอิลีคนนั้ไป แต่พระพุทธเจ้าเพลินกระบอกพยาก่อนไว้เด้เทวทัตเนี่ถึงจะถ้ำกรรมนักกับเล่าตถาคตแต่ว่าเขาสำนึกผิษได้เขาสำนึกผิดโค้งสุดท้ายที่ว่าเขาเอาได้เอาขาขันไก่กราบคารวะขอโทษกับเฮาคันวะเทวทัตเนี่ยโบเห็นโทษในขั้งสุดท้ายเนี่แปลว่าเทวทัตเนี่นน ย, นททย่บมีการ พยากรณ์แล้วว่าจะเป็นอย่างต่อไปในอนาคตมืดมิดเลยแต่บัดนี้เทวทัตเนี่ยลงไปสู่อเวจีมหานรกพ่อพ้นจะกกรรมแล้วจะต้องมาเกิดมาเกิดใช่กรรมหน้านับประกาศจนคารณหาประมาณบา่ไรแต่ขั้งชุดท่ายของเทวทัตเนี่ยจะได้เป็นพระปฏิเจตพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจะได้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต แต่พระประเจกองคนี้ปากเหม็นนะปากเหม็นมากเพราะเพิ่นใส่กรรมของเพิ่นที่ได้ด่าพระพุทธเจ้าที่ได้หาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าพระเทวทัตเนี่ยแต่เป็นพระประเจกพุทธเจ้าก็จริงแต่เพิ่นก็ได้ใส่กรรมของเพิ่นในขังสุดใายจากเพิ่นจากนั้นเพิ่นก็ได้เข้าสู่ปรินิพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือ ผทีนเนรคุณผู้อื่นถึงโค้งชุดไทยก็ยังลำลึกถึงบุญคุณได้อันนี้คือกันนะพวกเห้าเป็นลูกเป็นเต่าลูกหลานพ่อแม่หรือผู้มีอุปกรารคุณประเทศชาติบ้านเมืองพวกเห้าต้องลำลึกถึงอ่งบอมแม่มเขาจะดูถูกเยียรติย้ำว่าขาเนี่ยเป็นผู้ให้ความจเจริญนลงเรื่องต่อตระกูลของเห้ า, าพ่อแม่ผู้่าติญายภาษาสาว เฮมันโถมันแก่พอแห้งแล้วเฮ้เตะมันถิมก็ได้ตัวมันกระเเ้าได้แต่ว่ามันเสือ่อสายใหญ่หย่างละ่ะ เ, เสือ่อสายใหญ่ย่างของเฮ้าละ่ะเออเสื่อชาตระกูลของเฮ้าละ่ะเฮ้าบอมันเสื่อชาติกูลนั่นแมนบอส อ, อ่คันว่าเสื่อชาติกูลนั่นเฮ้ากรต้องลำเลึกถึงบร่นพบรุษของพวกเฮ้าคือพอแม่ปูญาตายหย่ญาติโกโหติกาของพวกเฮ้านี่แหละ โหดทั้งเนกทั้งนั้นมือเนี่เป็นวันตุจีนหลวงพ่อหนกตุจีนเป็นอุท่าหอนให้แก่พวกเข้าทันทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังให้สับนึกว่าบุพภาการีของพวกเขานี่คือไผ่เข้าควรจะแสดงความกตันยูกตวเว ท, ทิตาจังใดต่อบุพภาการีของพวกเข้าทันทั้งหลายขันว่าพวกเข้าบอแสดงความกระตันยูกะ ต, ววทท ต, ตะเวทิตามิตรเน่นละข่วนบนอันนันเป็นวแปรวา คนทิ่นเน่ละุ่นผู้อื่นขันนเป็นลูกของเฮาเขาบอกขุ่นจะให้อยู่ในกล่องมรกขันมันเป็นพ่อแม่ปูยาตาย่ายบวองสาขณานาหยาเท่าใ ห, ให้หนี้หฮางหนีหนี้หฮางคนประเพณีจังสั น, น, นขน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่ั้แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่า่ย่่ย่่เอเ่อ่อ่นะ่่่่่่ั่่่่่่่่่่ห่่่่่ งพ่อเห็นไงพวอคนห่้อมีถ้ำในใจกันคนมีถ้ำแน่ใจแล้วนั่นล่ะให้หูจักสูงหูจักรทำหูจักไก่หูจักใจหูจักสิ่งควรบวกล้วนให้ใช่ปัญญาในความรอบขอบอย่าไปใส่ความโลภความโกรธความหลงเออเขามาเป็นไงแน่จิตแน่ใจพันพวกเข้าใส่ความโลภความโกรธความหลงเป็นไงล่ะปกคล้องลูกน้องปกคล้องบริวารปกคล้องบริษัททางร้านเออปกคล้องประเทศชาติบ้านเมือง มีแต่ความจิบหายพเพราะเหตุใดเพราะใส่ความหลบความโกรธความหลงเป็นเครื่องปกคล้องขันใส่ศีลธรรมเป็นเครื่องปกคลองนะมีแต่ความเจริญนะเนี่มีแต่ความเจริญนะ ม, ม, ม, ม, มีแต่ความผาสุกเนี่ยมันี่หลวงพอ่อห้แน่วความคิดปั้นตุจจินปีสองพันห้าร้อห้าสิบห้ามือเนี่เป็นวันที่ยี่สิบสองมกราคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบห้ามือเนี่ย ตอนนี้ไปรับพร อ, อารมณตนาหายพร